ทีนี้ผู้แบกภาระเนี่ยนะว่าเพิ่งกล่าวว่าบุคคล น, นี้นั้นน่ะคือผู้มีชื่อนี้มีโคดนี้ดูก่อนพิสูจทั้งหลายนี้เรียกว่าผู้แบกภาระเขาไม่เอ่ยชื่อเลยนะว่าคุณบุญชูแบกภาระคุณนภาพแบกภาระเนะี่ยเขาไม่บอกพก่อองค์บอกว่าคนที่มีชื่อมีโคดอย่างนี้แหละก็คือทุกคนนั่นแหละแบกกันหมดเลยนะเนระียกว่าผู้แบกภาระอธิบายว่า จึงอยู่บุคคลยกภาระขึ้นในขณะปฏิสนธินั่นเองแล้วให้ขันนี้อาบบริโภคนั่งนอนบนเตียงและต่างที่อ่อนนุ่มแล้วบริหาร10ปีบ้าง20ปีบ้าง30ปีบ้างร้อยปีบ้างจนตลอดชีวิตแล้วก็ทิ้งไปในจุติขณะยึดถืออะนะยึดเอาขันอื่นในปฏิสนธิขณะอีกเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้แบกภาระเนี่ยนะก็แบกเรื่อยนะวางอันหนึ่งแบกอันหนึ่งเนี่ยนะแบกไปเรื่อย คือถ้ามองลักษณ ะ, ะมีอาชีพแบกข้าวสารหรือแบกปูนใช่ไหก็แบกอันนี้วางอันนั้นแล้วก็กลับไปแบกใหม่ก็แบกอยู่อย่างไงี้นะวันหนึ่งเนี่ยหลายร้อยกระสอบมางานแต่แต่โยมก็บอกว่าเขาไปแบกไปโ ย, ยมไม่ทำงานอะไรมากบอกแบกข้าวสารมาเข า, านีนก็ข้าวสารแบบหนึ่งหนึ่งร้อยกิโละนะโหแบกอยู่เป็นนอนน่ะ กวเพราะมันมีอัศธาะนะก็ถ้าแบกมาไหนแบกได้มากว่า น, นั้นก็มีสตังใช้มากเพราะฉะนั้นก็แบกงนะแต่ของเราเนี่ยนะมันแบกพวกมากกว่าพวกแบกเข้าสารอีกทาไมอะ่ะเพราะเราแบกอยู่ตลอดเวลาไม่มีว่างมีเว้นเลยก็ อ, อยู่อย่างงี้แหละทิ้งขันอันนี้ก็ถือเอาขันนั้นใหม่เนี่ยนะ ตรงนี้เนี่ยคำว่าผู้แบกภาระนี้เน้นไปที่บัญญัตินะว่าไอความที่สืบเนื่องแห่งขันอย่างนี้ไปในวัตตะโดยโวหารเรียกว่าผู้แบกาภาระเนี่ยนะคือจริงๆเมื่อคนโดยละเอียดโดยความเป็นสัตว์ไม่มีอยู่จริงทีนี้ภาระอันนี้มันถือได้ยังไงใช่คือคือถ้าแบกภาระ ม, มันก็ต้องถือมามันจึงได้แบกได้นะถือมาแบกได้ยังไงภาระอันนี้ ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็การถือภาระเป็นชไหนตันหานีา้ใดนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินมีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือในอารมณ์นั้นๆได้แก่การมตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายนี้เรียกว่าการถือภาระก็เพลิดเพลินทางอารมณ์6เมื่อไหร่นั่นแหละคือการแบกภาระอันนะคือการถือภาระแล้วนะเข้าไปถือภาระอันนะ คือถ้าเพลิดเพลินในรูปเนี่ยนะเอาไปถือภาระเอาอะไรเอาจากสุใช่ไหมไปเพลิดเพลินในเสียงก็ถือเอาภาระคือหูเพลิดเพลินในกลิ่นไปถือเอาภาระคือจมูกเพลิดเพลินในรสถือเอาภาระคือลิ้นวันนี้อาหารอร่อยไหมยังไงสอนไร่อยหวันนี้ไม่เอดมือกลางวันกับมื้อเช้างี้ยนะอร่อยไหมยังไงถ้าอร่อยก็ไม่เป็นไรก็ถือก็ว่าโดยสภาวะก็เรียกว่าถือเอาลิ้นอันใหม่ ลำไม่ค well ุณนาไม่บอกก็ร hm ู้อยู่แล้วเว้นไว้แต่แหมเจริาหาเรปฏิกูลสัญญาหมนือว่าเก่าแล้วโดยไหนก็ถาดนั่นแหละนั้นก็มีเวลาไว้ถามนะมีวัดอยู่แห่งหนึ่งเขาก็ไว้ถามกันว่าวันนี้ไปงานอาหารอร่อยัหมพวกอร่อยมากก็นนั้นนะ แเกิดอีกนอนก็ได้ลิ้นอีกนอนเนี่ยนะแต่ทีนี้ว่าลิ้นมันจะเป็นลิ้นชนิดไหนเนี่ยนะไม่ใช่อยู่ที่ตันหาใช่ไหมอยู่ที่กรรหมือนนะไม่ต้องสองแฉกกันนะก็เพลิดเพลินเนี่ยนะถ้าเย็นๆเนี่ยนะได้ผ้าห่มอุ่นดีมากดีไหมในผ้าเย็นมากเลยนะในผ้าห่มมาห่มปุ๊บโอ้โหอุ่นดีจัง เสร็จแล้วนะนั่นอนะถือเอากายอันใหม่เนี่ยนะนันคือการถือเอากายใช่ไหมคิดเรื่องอะไรมันถูกใจไปหมดเลยนั่นถือเอาใจอันใหม่เนี่ยนะก็ถือไปตลอดเพราะฉะนั้นไอ้ตานหาที่เพลิดเพลินในขันห้าตัวนั้นแหละคือการถือเนี่ยนะเป็นเป็นยางชนิดหนึ่งที่ต่อเอาไว้ไม่ให้สายพัน น, นี้มันขาดเนี่ย น, นะ ถ้ากล่าวแล้วนะคำว่าภาระโดยสัจจะเป็นอะไรทุกขสัจผู้แบกภาระเป็นสมมุติสัจจะผู้แบกภาระนะเป็นสมมุติสัจจะส่วนการถือภาระเป็นสมุ ท, ท, ทัยสัจทีนี้มาฟังนิโรธสัจว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็การวางภาระเป็นไฉไความที่ขันความที่ตันหานั่นแลดับไปด้วยสำรอกโดยไม่เหลือ ความสละความสละคืนความพน้นความไม่อะไรดูความพิสูจน์ทั้งหลายนี้เรียกว่าการวางภาระนิพพานนั่นแหละวางภาระนะสภาพของนิพพานนั่นแหละเป็นตัวที่วางภาระจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าตัณหาเนี่ยนะจิตทั้งหลายหรือวิปัสนาจิตเป็นต้นเนี่ยถ้าถึงนิพพานเมื่อไหร่นี่สลัดตัณหาเลยนะตัณหาเลิกเอาและมาตัณหาเนี่เลิกชอบแล้วดูความพิสูจน์ทั้งหลายนี้เรียกว่าการวางภาระ ถ้าผู้มีประภาคเจ้าผู้สุคศสสดาครั้นได้ตัดวยาการณภ า, าสิตนี้จบลงแล้วจึงได้ตัดคาถาประพันธ์ต่อไปอีกในภายหลังว่าขันห้าเชื่อว่าพาระแลบริหารหนักไหมคุณมิมิหนักนะก็เบื่อแล้วจะไปเอาอันใหม่หรือเปล่าอยู่ตรงไหนตรงไหนก็บอเหมือนไฟดับอ๋อไฟดับดับไปแล้วไม่รู้อยู่ที่ไหน อออืมก็งั้นก็อุดเช็ดทีทีต้องบอกหรือมันมีที่อยู่อีกแห่งหนึ่งก็สัสตะ น, น, นะขันห้าเป็นภาระและผู้แบกภาระคือบุคคลอันนี้โดยโวหารการถือภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลกอันนี้เป็นสมุทัยสัตว์การวางภาระเสียได้เป็นสุขอันนี้นิโรสัตว์ บุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้วไม่ถือภาระอื่นถอนตันหาพร้อมทั้งมูลรากได้แล้วเป็นผู้หาเหวี่ดับรอบแล้วดังนี้อันนี้หมายถึงพระรหันารัพย์นี้เป็นผู้วางภาระได้หมดนะนะทิ้งภาระอันนี้ก็ไม่ถือเอาภาระอันอื่นนะนะถอนตันหาพร้อมทั้งมูลรากตันหานี่มีอะไรเป็นมูลมูลคือเหตุปัจจัยนะ มูลคือเหตุหกอ่ะมันตัณหาที่ควรจะมีอะไรเป็นมูลอวิชชาเนี่ยนะมูลก็คือเหตุหกอ่ะนะถามว่าอาวิชาาวชาตัณหามีอะไรเป็นเหตุบอกว่าอาวิชชานั่นแหละเป็นเหตุเหตุตุปัจจัยให้ อ, นนอ้ผูบบาเป็นส ม, มุติสัจจะเรียกว่ากล่าวโดยโวหาร คือ ค, คือทั้งสูตรนี้แสดงทั้งสมมุติสัจจะกับปรมตทสัจจะควบคู่กันไปเพราะว่าถ้าไม่กล่าวไม่กล่าวอย่างนี้จะเห็นว่าวัตตะเนี่ยมีหรือกรรมสกตาเนี่ยนะมีไหมเนี่ย น, นะใครละได้ใครละไม่ได้มันก็คละเข้าไปหมดใช่ไหมฉั้นการแสดงสมมุติสัจจะนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายเนี่ยนะก็คือให้เห็นชัดเนี่ยนะเช่นเรื่อง ใครจะวางหรือใครจะถือภาระเป็นเรื่องเฉพาะตัวเนี่ย น, นะอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์ของการแสดงสมุติสัจจะหรือโวหารเนี่ย น, นะ <c oughs> เดี๋ยวก็เลยเถิดไม่มีแต่ประมาทหมดเลยเหมือนนพอประมัทหมดเลยแล้วก็พวกนี้เพียงวันเน้นปัญญามากแล้วไม่ค่อยทำบุญด้วยเนี่ย <c oughs> คนที่เน้นประเภทนี้ทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่ค่อยดี นะเพราะทุกอย่างมันเกิดดับเกิดดับหมดเลยนะแล้วกิเลสลามมากขึ้นมากขึ้นไม่ได้ฮิริโอตะปาไม่ได้มีมากขึ้นอะไรนะเรื่องนรกเรื่องอะไรมองเป็นปรมัตต์หมดเกิดดับหมดใช่เกิดดับสักล้านตีงันเยนะก็เกิดดับเหมือนกัน ก, ก็จริงเหมือนกันหรอนะ <c oughs> พอได้นะทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ภาระคือขันห้าเป็นทุกขสัตว์การถือภาระเป็นสมุทยัทยสัตว์การวางภาระเป็นนิโรธสัตว์แล้วอุบายที่จะให้วางภาระละ่ะอุบายอันนั้นคือมัคสัต์เนี่ยนะแล้ก็สัจจะสี่ก็แสดงแล้วทาบซึ่งหรือเปล่าหน้าระยะตอนนั้นนี้นนะแต่ก็ชาตินะว่ามถามว่า ใช้คําว่าภาระเนี่ยนะขันห้าเป็นภาระเนอเนี่ยคํานีน้พูดแสดงอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาเนี่ยนะอะไรนะอันนั้โดยอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นไตรลักษณ์กลุ่มไหนอนิจจัทุกขังอนัตตาเป็นไตรลักษณ์กลุ่มไหนเธ อ, อ, อเนี่ยการถือภาระเนี่ยนะการแสดงว่าขันห้าเป็นภาระเนี่ยพระรงแสดงอ น, นิจจังทุกขังหรืออนัตตา แสดงทุกขังขคือการพูดถึงอุปาทานขันท่านะถ้าเป็นพระพุทธพจน์เนี่ยจะต้องอย่างใดอย่างหนึ่งไม่อนิจังก็ทุกขังไม่ทุกขังก็อนัตตาต้องอยู่ในสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่คําว่าอสุภะก็อยู่ในทุกคลักษณะเนี่ยนะพราะฉะนั้นถ้าเป็นตามพุทธพจน์จริงๆแล้วพระองค์ยักย้ายในศัพทวิปัสนาเนี่ยมาก น, นะเช่นใช้ตรงนี้ใช้คําว่าภาระเนี่ยนะ ก็ไม่ได้ใช้คำว่าทุกขโตอะไรแต่ใช้คำว่าภาระนันก็ประกาศว่าเออเป็นภาระนะอีกสูตรหนึ่งชื่อว่าปริญญาสูตรดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราจะแสดงธรรมะที่ควรกําหนดรู้และความกําหนดรู้เธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายก็ธรรมะที่ควรกาหนดรู้เป็นไนอันนี้เป็นปริญญาธรรมนะปริญญาเนี่ยนะ แปลว่าทรรมที่ควรกาหนดรู้เนี่ยนะคือในฐานะเป็นกรรมเหมอนะดูกราฟิสูทั้งหลายรูปเป็นธรรมะที่ควรกาหนด ร, รู้เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยเป็นธรรมะที่ควรกาหนดรู้อันนี้เป็นปริญญาธรรมเนี่ยนะดูกราฟิสูทั้งหลายก็ความกาหนด ร, รู้เป็นฉงคืออันนี้คือปริญญาปริญญานี้เป็นไง คือความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะคําว่าปริญญาตัวนี้เนี่ยนะถ้าโดยศัพ์ตรงๆแล้วอะเป็นชื่อของปัญญาศัพ์ว่าปริญญานะียสภาวะของเขาคือปัญญาแต่พระพุทธพระพุทธพจน์อธิบายว่า admire, ความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะอันนี้เป็นชื่อของนิพพานนั่นนะแล้วก็ อัตถกาถาธิบายว่าปริญญังตัวนี้ได้แก่กำหนดรู้ล่วงส่วนก็คืออัจจันต์เนี่ยนะคือล่วงส่วนเพราะถ้าไอคำว่ากำหนดรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าติดอยู่แค่เนี่ยนะติดอยู่แค่ขันห้าผู้ที่กำหนดรู้ขันห้าที่แท้จริงอะ่ะคือคนที่สามารถมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้เรียกว่าคนกำหนดรู้ขันห้าอย่างแท้จริงเนี่ยนะอย่างพาริยะทั้งหลายเนี่ย ที่ท่านรอบรู้ขันห้าจริงๆก็คือท่านรู้ที่สุดแห่งขันห้านั่นแหละนั้นคำว่าปริญญาในที่นี้นั่นแหละหมายถึงระนิพานทันิพานก็ในฐานะเป็นอา ร, รัมมณะปะจัจจัยของอะไรไของมรคนะตรงนี้ก็แสดงสัจจะสองถ้าตรงๆเลยคือทุกขสัจกับนิรศสัจ สัจจะที่เหลือก็กล่าวโดยอ้อมเนี่ยนะนะปริชาณสูตรเนี่ยนะนะปริแปลว่ารอบชานะแปลว่ารู้เนี่ยว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ยิ่งเนี่ยนะนะปริชาณะเนี่ยนะนะไม่กําหนดรู้คือตีรณะไม่นายไม่ละซึ่งรูปอันนี้ปหานะว่าเป็นผู้ไม่ควรเพื่อสิ้นทุกษ์พูดสรุปรวมๆ ว, ว่าถ้าไม่ทําปริญญาในขันห้าไม่ควรพ้นทุกเลย คือไม่ทํายาตะปริญญาไม่ทําตีรณปริญญาไม่ทําปะหานะปริญญาในขันห้าไม่คู่ควรแก่การพ้นทุกข์บุคคลเมื่อไม่รู้ยิ่งไม่กําหนดรู้ไม่นายไม่ละซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณเป็นผู้ไม่ควรเพื่อสิ้นทุกขั่นะคำว่าไม่รู้ยิ่งคือไม่ทํายาตะปริญญาไม่กําหนดรู้คือไม่ทําตีรณปริญญาไม่นายไม่ละอันนี้คือไม่ทํา ปหาปริญญาเนี่ยนะคือไม่ไม่เจริญตัวปัญญาที่เป็นปริญญาเพราะฉะนั้นจึงเป็นคนที่ไม่ควรแก่การสิ้นทุกข์ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็บุคคลเมื่อรู้ยิ่งเมื่อกำหนดรู้เมื่อไนเมื่อละได้ซึ่งรูปจึงเป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์บุคคลเมื่อรู้ยิ่งเมื่อกำหนดรู้เมื่อไนและเมื่อละได้ซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณ เป็นผู้ควรเพื่อสิ้นทุกข์นะตรงนี้เน้นเน้นวัตตะกบวิวัตตะเนี่ยนะชั้นแรกว่าผู้ที่ไม่ทําปริญญาสามในอุปาทานขันท่าไม่ควรพ้นทุกข์เลยอันนี้ก็เท่ากับเป็นคําพูดที่ว่าใครที่ไม่ทํานะจมอยู่ในกองทุกข์ถ้าพูดอีกในหนึ่งก็คือถ้าเป็นสํา น, นวนว่าเหมือนกับหมิ่นเหมือนกันถ้าเธอไม่ทํานะเธออยู่ในทุกข์อย่างนี้แหละเสร็จแล้วก็ตรงกันข้าม คือเมื่อรู้ยิ่งเมื่อกำหนดรู้เมื่อละได้ซึ่งขันท่าเนี่ยนะนี่เป็นคู่ควรแก่การสิ้นทุกขอันนี้ชื่นตนําหนิผู้ที่ไม่เจริญมรรคสัตย์ชมมรรคสัตย์เนี่ยนะจบสูตรง่ายๆนะแต่ละสูตรนี้สั้นๆมากแต่ว่าเอาไปเจริญดูเถอะนะเหมือนกระชี้ให้ดูอากาศมาันนั่นอากาศนนะ มีใครดูพ้นอีกสูตรหนึ่งนะฉันทราค่าสูตรว่าดูก่อนพี่สูตทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในรูปเสียด้วยการละอย่างนี้รูปนั้นจักเป็นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วตัดรากขาดแล้วกระทําให้เป็นดังตามยอดด้วนทําให้ถึงความไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาอันไหน แล้วว่าให้ละฉันธราคะในรูปประคันนะถ้าเธอละฉันทราคะได้อย่างนี้นะปฏิสนธิกรรมชรูปมันจะไม่มีอีกเด็ดขาดเนี่ยนะก็จะหมดทุกได้แนะ่ถ้าถ้าเธอตัดฉั้นทราคะในรูปนี้เลนะั่นเองเปรียบไว้ชัดดีนะมั น, นตายยอดโดนนะมไม่มีทางจะงอกไมาได้ไองอกไม่ได้แล้วนะนะต้นไม้อื่นยังเกิดนั่นเองต้นตาลกับมะพร้าวเนี่ยถ้าหัวมันกุดแล้วก็หมดเลยอนะ่ะไม่งอก เธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในเวทนาเสียเธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในสัญญาเสียเธอทั้งหลายจงละฉันทรา่ะในสังขารเสียเธอทั้งหลายจงละฉันทราคะในวิญญาณเสียด้วยการละอย่างนี้วิญญาณ น, นั้นจะเป็นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วตัดรากขาดแล้วก็ทําให้เป็นดังตามยอดด้วน ini, ทาให้ถึงความไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมด า, านะ ก็คือถ้าไม่ตัดฉันทราคะาในเวทนาเนี่ยก็สร้างเวทนาใช่ถ้าตัดฉันทราคะาในเวทนาก็ไม่สร้างเวทนาคำว่าละฉันทราคะาเนี่ยนะระดับไหนจึงจะละได้ก็อรหัตตมักนะอรหัตตมักนนแหละเป็นตัวที่ตัดฉันทราคะาในอุปาทานขันห้าได้เด็ดขาดสูตรนี้ถ้ากล่าวตามเนติปกรณ์กลุ่มนิพทธภากยสูตรเนี่ยนะ สูตรสูตรลักษณะนี้บุคคลอุคติตันยูฟังเนี่ยนะชี้ได้เลยนะว่ า, าละฉันทราคะาก็คือละสมุทัยสัตว์ใช่ไหมอ น, น, นี้ชี้ชี้ตรงๆว่าสมุทัยสัตว์ที่ไปติดข้องในทุกขสัตว์เนี่ยคือขันห้าควรละนะถ้าละได้เด็ดขาดตัดฉันทราค่าได้เด็ดขาดปฏิสนที่ขันห้าอันต่อไปจะไม่มีเนี่ยนะ คืออย่าลืมว่าการพิจารณาธรรมะอย่างของพระอรหันต์ทั้งหลายสมมุติว่าถ้าละรูปไม่ใช่ว่าท่านบนรรลุปเป็นพระอรหันต์แล้วตายทันทีไม่ใช่แต่ที่ท่านละเนี่ยหมายถึงปฏิสซนที่กรรมัชรูปต่อไปนี่ยนะท่านที่ท่านต้องการละจรงิงๆแล้วก็พระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่ว่าท่านเป็นท่าอรหันต์แล้วท่านจะฆ่าตัวตายไม่เนี่ยนะท่านก็จะบริหารจนกว่ามันจะตายนี่ยนะจะไม่ไม่ปลงชีวิตของตัวเอง ถ้าเป็นพระพิสูจน์นี้วินัยปรับเลยถ้าฆ่าตัวตายเป็นอบัตรทุกกฎเนี่ยนะฟังบริหารต่อไปเนี่ยนะคือคือถ้าปกติน ะ, ะพระพิสูุน์ที่ที่มีความรักในพุทธพจน์เนี่ยสมมุติถ้าตัวเองจะฆ่าตัวตายปั๊บเนี่ยเอ๊ะฉันเนี่ยตายด้วยความไม่ด้วยศีลไม่บริสุทธิ์นะเนี่ยนะก็จะมีฮิเรโอตาปะจะไม่ล่วงแต่คนที่ล่วงก็ก็ปรับกับใครอะ่ะก็อบายปรับให้กันไม่ั้งห่วง ก็ไอ้ตรงนั้นแหละปรับหนักมากเพราะว่าถ้าฝืนพระพุทธพจน์หรือว่าอย่างคิดถึงพระพุทธเจ้าเสร็จนะแล้วฝืนคำอะ่ะก่อนจะตายเนี่ยให้รู้เลอว่าคติไม่ดีเนี่ยนะนทวนอีกครั้งนะว่าสูตรนี้เป็นนิพเพธภาคยยสูตรเนี่ยเน้นอธิบายอาริยมรรคที่ตัดฉันทะราคะในอุปาทานขันห้า <c oughs> ทีนี้พระโพธิสัตว์บ้างว่าอัศธาสูตรเนี่ยนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก่อนแต่ตรัสรู้นี่นะอยู่นี้ก็คือพูดถึงว่าพระองค์ยังยังไม่ได้บรรลุอันนีก่อนแต่ก่อนที่อารยมรรคจะเกิดของพระองค์ว่าเมื่อเรายังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้มีความปริวิตตกอย่างนี้ว่าวิตกก็คิดว่านะอะไรเนาเป็นอัสาธาของรูปอะไรเป็นอาทีนวะของรูป อะไรเป็นนิสสรณะของรูปเนไหมโดยศัพนะอัศาธะาหมายถึงสัจจะอะไรโดยสัจจะสมุทัยสัจอาทีนวะเป็นเป็นทุกขสัจนะนิสสรณะเป็นนิโรสัจจะเนี่ยนิโรสัจจ ะ, นะจจะอะไรเป็นอัาธาอาทีนวะนิสสรณะของเวทนา อะไรเป็นอสสาธาอาทีนวะนิสรณะของสัญญาอะไรเป็นอสสาธาอาทีนวะนิสรณะของสังขารอะไรเป็นอสสาธาอาทีนวะนิสรณะของวิญญาณถ้าแปลว่าคุณเนี่ยนะมันไม่ใช่คุณนะประโยชน์นะ น, นี้มันหมายถึงฉันทราคะเนี่ยนะดูการพิสูจน์ทั้งหลายเรานั้นได้ปริวิตกต่อไปว่าอันนี้นใช้คําว่าวิปัสสนานะไม่ได้บอกว่าวิปัสสนาแต่บอกว่า การตรึกเนี่ยนะยกวิตติ ก, กะขึ้นมาแต่จริงๆอะ่ะคือวิปัสนาเนี่ยนะคือปัญญาที่ที่ปฏิบัติเพื่อความบนทุกข์นะแต่ว่ายกอัญญสมนาเจีตาสิกขึ้นมาบางสูตรเราเคยสังเกตนะว่าวิปัสนาเนี่ยยกสัญญาเจตสิกขึ้นเนี่ยนะเช่นเจริญอนิจจสัญญาเป็นต้นบางสูตรยกมานสิการเจตสิกขึ้นเลยนะบางสูตรยกอย่างสูตรนี้ยกอะไร วิตกกะเจตสิกขึ้นคืออัญญสมมาเจตสิกนั้นอ่ะเป็นเจตสิกที่อัญญะนะแปลว่าเข้ากับไกลก็ได้เข้ากับกุศลก็ได้เข้ากับอกุศลก็ได้ะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ขัดเลือกว่าต้องใช้คําว่าปัญญาอย่างเดียวเนี่ยนะคือแสดงตามอัธยาสัยว่าคนนี้ถ้าใช้คําว่าปริวิตกกะหรือวิตกเนี่ยนะเขาจะเข้าใจแต่ว่าวิตกเนี่ยไม่ใช้คําว่าวิตกสัพท์เดียวโดดๆนะ ตรึกไม่ใช่ใช้คาว่าปรินำหน้าปรินี่แปลว่ารอบวิตตกนี่แปลว่าตรึกโดยรอบเนี่ยนะคิดอย่างรอบมากนะแต่ไม่ใช่ครุ่นคิดแบบคิดแล้วปวดหัวนี่ไม่ใช่เทพระองค์ตรึกต่อไปว่าขโสมนัตอันใดอาศัยรูปเกิดขึ้นนี้เป็นอัาธาของรูปรูปใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานี้เป็นอาทีนวะของรูป การกาจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในรูปเสียได้นี้เป็ น, นนะเครื่องสลัดออกแห่งรูปหรือนิสระณะของรูปเนี่ยนะก็เท่ากับประกาศว่าอสสาธะของรูปคือสมุทัยสัตว์อาทีนวะของรูปเป็นทุกขสัตว์นิสระณะของรูปเป็นนิโรสัตว์เนี่ยนะสุขสมนัตอันใดาอาศัยเวทนาสัญญาสังขารอาศัยวิญญาณอันนี้เป็น อสสาทะของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณความไม่เที่ยงะนคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานี้เป็นอาทีนวะของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณการกาจัดฉันทราค้การละฉันทราคะในวิญญาณเสียได้เนี่ยนะคือทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะ นี้เป็นนิสระณะของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณในบางสูตรกล่าวถึงอริยสัจว่าถ้าพูดถึงขันธ์หเช่นอุปาทานขันธ์หว่าทุกเนี่ยนะทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธขรามมีนีปฏิปทาแต่ถ้าอย่างสูตรนี้แยกแยกว่ารูปนะอาส า, า, าธาทีนว่านิสระณะของรูปก็เป็นสำนวนอีกสำนวนหนึ่งว่ารูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูป นี่ราถาคำไม่นีปฏิปทาก็คือขยายอาริยสัจออกเป็นเท่าไหร่อ น, น, นคือแสดงสามสัจจะสใช่ไหมในขัน5นี่ยนะ ดูก่อนพิสูจทั้งหลายเรายังไม่รู้ยิ่งซึ่งอัสาธะโดยความเป็นอัสาธาอาทีนวะโดยความเป็นอาทีนวะและนิสรณะโดยความเป็นนิสรณะแห่งอุปาทานขันห้าเหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกม า, ารโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมมาณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้น ไปที่พุทธคยาไปนึกถึงบทสูตรนี้ก็ได้นะ น, นะตอนที่พระองค์ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าคือยังไม่รู้อาสาธาอาทีนวะนิสรณะของของขันใช่ไหมแต่เมื่อใดเราเนี่ยรู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณซึ่งโทษโดยความเป็นโทษซึ่งอุบายเครื่องสลัดออกหรือซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันห้าเหล่านี้คือรู้อาสาธาอาทีนวะนิสรณะของอุปาทานขันห้า ตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ก็แลยานทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติอะ น, นะวิมุติของเราเนี่ยไม่กำเริบอะ น, นะวิมุติที่ไม่กำเริบนี้วิมุติไหนคุณบุญชูอะสั ม, มยวิโมกข์นั่นนะ่ะนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะเป็นวิมุติที่ไม่กำเริบ คืออรหัตผลวิมุตต์ไม่มีการเลิกอีกชาตินี้เป็นที่สุดเนี่ยนะคือปฏิสนธิในภพเนี่ยทั้งหมดถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยนะบัดนี้ภพใหม่ไม่มีเนี่ยนะแต่ถ้าถ้ากล่าวตามลัทธิอื่นๆทั่วๆไปนอกพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเขาเขาศูนในสมมุตินะถ้าถ้าจุติแล้วไม่ถือเอาขันใหม่อีกเลยเนี่ยนะเป็นความทุกข์อย่างยิ่งของเขาเนะ เขาเดือดร้อนมากเขากลัวมากตรงนี้นะกลัวว่ามันจะไม่ได้เกิดอีกเนี่ยนะนะกลัวไม่ได้แบกภาระกลัวไม่ได้ภาระอันใหม่อีกเนี่ยนะนะเหมือนกับว่าเออถ้าเสร็จงานอันนี้เดี๋ยวไม่มีงานใหม่ทําต่อนะนะลักษณะนั้นนะแหละตัดอยู่เลยกลัวสิ่งที่ไม่ควรกลัวดูคามพิสูจน์ทั้งหลายเราได้เที่ยวค้นหาคุณแห่งรูปคืออาาัาธาแห่งรูปนะใช้คําว่าเที่ยวค้นหาเลยนะแสดงว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเนี่ยนะนะ เราเนี่ยเที่ยวนนะค้นหาอัศธาแห่งรูปเราได้พบอัศธาแห่งรูปแล้วเราได้เห็นอัศธาแห่งรูปเท่าที่มีอยู่ด้วยปัญญาดีแล้วคือในบรรดาอัศธาที่มีในรูปประขันธ์ทั้งหมดนะไม่ว่าของใครพระพุทธเจ้าพิจารณาหมดเลยโดยที่สุดแม้ในอดีตอนาคตหรือในปัจจุบันตอนนั้นก็ตามไม่มีอารมณ์ไหนที่ที่พไม่ได้พิจารณาถามว่าอย่างที่เราศึกษาธรรมะเนี่ยนะ ถามว่าพระพุทธเจ้ารู้ไหมตอนที่พระ อ, องค์มีพระชนอยู่เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเราต้องมาเรียนอย่างนี้แล้วก็แต่ว่าออรู้พระองค์รู้ต่อไปยังไงอีกเราไม่รู้นะแต่ว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยพระ อ, องค์รู้หมดเขาเรียกว่าพระ อ, องค์มียานอย่างหนึ่งคือยานที่ไม่ติดข้องในอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะไม่มีอะไรที่ไม่พิจารณาพิจารณาหมดเราได้เที่ยวค้นหาโทษแห่งรูป เราได้พบโทษแห่งรูปแล้วเราได้พบโทษแห่งรูปเท่าที่มีอยู่ด้วยปัญญาดีแล้วนั่นะก็คนคนหาโทษของรูปนี้ไม่ใช่ธรรมดานะนัะ่นะส่อว่ามันมีมันไม่ดียังไงบ้างอ่ะนะหาความผิดพลาดอ่ะนะหาข้อผิดของรูปประขัดเนี่ยแต่จริงๆแล้วเราเห็นมา ก, ก น, นะแต่ว่าเราจะโพื่อช่วยยุยกันปิดเอาไว้เราได้เที่ยวคนหาเครื่องสลัดออกคืนนิสรณ ะ, ะแห่งรูป เราได้พบนิสสรณะแห่งรูปแล้วเราได้เห็นเครื่องสลัดออกแห่งรูปเท่าที่มีอยู่ด้วยปัญญาเนี่ยดีแล้วคือทุกแง่ทุก ม, มุมทุกด้านเนี่ยนะไม่มีอะไรที่ไม่พิจารณาในในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของรูปนี่นะทั้งโดยอาศะธาอาทีนวะนิสสระเนี่ยไตรโครวนอย่างละเอียดรอบครอบม